ที่ผมก็ได้มีฟังธรรมะของพระอาจารย์มาในาาร้อยนะคคำที่พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะส่วนหนึ่งที่พราจพูดทิ้มะว่าในการที่เราเนี่ยเม่ไปบูชาพระพุทธพระพุพทธ ร, รูปก็ดีหรือพระปรมาลาลิทรก็ดีด้วย เ, เครื่องสักการะทั้งหลายเนี่ยพระอาจารย์ถามว่าเป็นการบูชาด้วยศีลหรือสมาธิเอ่อเรืยเรืยทางหรือศีลหรือสมาธิ อาจรารย์เคยพูดในในในเคบรรยายในจุดนี้คะ่ะอาจารย์หนูก็คิดว่าตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกับการที่บนงทีพฤติกรรมซีเชชอนเนี่ยเราไปบูชาประทานเนี่ยเราก็ก็มีแตบบ่ดอกไม้ขอมหอมเดินสักการะบูชาแต่ในจิตจริ ง, รงๆเราไม่รู้จุดประสมจริงๆว่าบูชาเพื่ออะไรเนีคะ่ะหนูคิดว่าถ้าอย่างน้อยพวกเราเนี่ยไ ด, ไดกก้ได้รูก่อนได้ทราบก่อนมันก็จะเป็น ประโยชน์ค่ะในการทำหนังสือด้วยเนี่ยข้อดีก็คือประเด็นมันอย่างนี้ว่าที่โยมเอาูลถามมาว่าการที่พุทธบริษัทไปบูชาพระธาตุบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการนำดอกไม้ของหอมไปบูชาเนี่ยมันจะจัดเป็นทานศีลภาวนาได้อย่างไรใช่แต่ก็ต้องดูว่าวัตถุสิ่งของผ้าดอกไม้ของหอมฉัดร่ม อของใช้อะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ที่เรานําไปบูชาพระธาตุท่านรมสารีและก็ถ้าบูชาพระรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้หลายลมากเราไม่ได้ถูกสอนกันว่าจริงๆแล้ววัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุทานอันนี้ก็เรียกวัตถุทานจิตที่คิดจะบูชาจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละัอันนั้นเป็นเจตนาทานใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่เราเดินไปเรามีจิตมุ่งมั่นถือดอกไม้ของหมอมถือเสื้อถือผ้า ถ้คือของใช้ทั้งหลายนี้ก็จะไปบูชากายกรรมที่เคลื่อนไหวไปมีจิตคิดจะนำไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลเห็นไหมกายกรรมพฤติกรรมทางกายกบบเป็นทานกุศลเลยแต่จะเป็นทานกุศลหรือไม่อยู่ที่เจตจำนงความจงใจตั้งใจที่จะถือวัตถุชิ้นนี้สิ่งของเหล่านี้เป็นต้นมากมายหรือไม่มากมายก็ได้แต่เนอะไปถวายเป็นพุทธบูชาทำบูชาสังฆบูชาเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าถือไปเฉยๆเอาไปวางเฉยๆโดยไม่มีเจตจำนงอย่างนั้นน่ย พฤติกรรมทางกายเหล่า น, นั้นไม่เรียกว่ากายกรรมไม่เรียกว่าทานกุศลถ้าถ้าไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> มุ่งสลับถาวายอย่างนี้เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลทันทีเห็น ไ, ไหมทั้งภายในและภายนอกทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นในขณะเดียวกันวาจาที่เปล่งกล่าวออกไปเชิญชวนเป่งกล่าวทั้งสลับ เราได้มีภาพมีของหอมมีดอกไม้เพื่อจะไปถวายเป็นพู้ถวบชาแล้วพวกเราทั้งหลายจงร่วมแรงร่วมใจกันและพละนาเป็นบุญญราภของข้าพเจ้าแล้วนอ้อข้าพเจ้าได้มานําเครื่องสักการะเหล่า น, นี้ถวายบูชาพระเจริญาคุณที่บําเพ็ญมาอย่างยาวนานได้บูชาพระสริระคุณที่มีความงดงามประดับไปด้วยหมาปุริสราขนาดสามประการเป็นต้นได้บูชาพระพุทธ สำบริเจ้าด้วเครื่องสักกาละเหล่านี้แล้วเนาะอย่างนี้วัจีกรรมเป็นฐานอุสลใช่ไหมตังกายกรรมวจีกรรมทีนี้มนโนกรรมนะ่ยไปยืนอยู่กับที่น้อมวางของเสร็จเสรจปุ๊บจะยืนก็ได้นั่งก็ได้จิตสงบแระลึกว่าเป็นบุญญาลาของเราแท้ที่เราเป็นพุทธบริษัทของพระเจ้าได้มาถวายเครื่องส ก, กา่าละ ถวายผ้าถวายของเครื่องลูกหม่มถวายอาหารถวายยาถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมาริศม์ใจที่คิดงอบน้อมถวายสละอย่างนั้นมโนกรรมเป็นทานกุศลใช่ไหมกายกรรมเป็นทานกุศลวิจิกรรมเป็นทานกุศลวโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมวนโนกรรมเป็นทานกุศลได้ด้วยอาการแบบนี้ทีนี้ถ้าพัฒนาต่อเป็นศีลกุศลทํำยังไง กายกรรมที่เราเดินถือดอกไม้ถุกเทียนทั้งหลายของหอมทั้งหลายเดินไปบูชาไปเวียนพะทธศิลมนัสิการถึงอริยประเพณีของหมู่อริยชนทั้งหลายนี่เป็นวัดปฏิบัติเป็นประเพณีเป็นเพศเป็นประเพณีเป็นข้อปฏิบัติของหมู่ชนที่จเจริญแล้วที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาบูชาพระพุทธเจ้า มาทําตามแบบอย่างที่ดี <spe ak> เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเรามาทํากายกรรมในการเดินประทักษิณอย่างนี้ด้วยความเรียบร้อยเยงามระลึกถึงคุณของพระเจ้ทาที่เป็นต้นเราได้ทําตามวัดปฏิบัติตามประเพณีตามสิ่งที่ดีงามที่หมัวริยชนทั้งหลายได้ทํามาการคิดอย่างนี้แล้วก็เดิน บูชาพระธรรมอย่างนี้คิดถึงอริยประเพณีอยู่พัฒนาทางประเพณีอันดีงามเพื่อจะพัฒนาศักยาภาพมนพุษย์เปสูตศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปเข้าใจอย่างนี้อย่า ง, างถูกต้องโดยไม่หลงไม่งมงงายอย่างนี้กายกรรมเป็นศีลเป็นศีลเลยทวารจีกรร ม, มาเชิญชวนท่านทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายมาทําอริยะประเพณีตามวัดปฏิบัติที่มูอริยชนทั้งหลายเดีย๋ยวผมพูปฏิบัติมาภาษาดีบุตรพระนอนเป็นต้น ตลอทั้งหมู่พระอาริยสงฆ์จ้าทั้งหลายก็มีการมาประทักสินประสามาสรรพุทธเจ้าบูชาพระเจ้าตอนที่พระเจ้ายังทรงกระชนอยู่แม้ชั้นใดเราท่านทั้งหลายก็ไม่ละเลยวัดปฏิบัติและข้อปฏิบัติประเพณีอันดีงามเหล่านี้ก็จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้เข้าถึงคุณธรรมที่สูงสูงยิ่งๆขึ้นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจจะได้เป็นตามวดปีติปสัสสิสุขสมาธิแก่หมู่เราท่านทั้งหลายเชิญชวนและพูดจาลักใหม่นี้วัจีิกามเป็นศีลกุศล ไม่ทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวยืนสงบนิ่งอยู่คิดถึงว่าเราได้อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามปฏิบัติตามอริยะประเพณีที่ดีงามเพื่อความปราโมดปิติภาสสติสุขสมาธิเพื่อปัญญาอันยิ่งในการที่จะรู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเล้วนาะเราไม่ทำประเพณีนี้ขาดตบกุข่องเลยนี้มโนกรรมเป็นสิงกุศล กายกรรมเป็นศีลกุศลวมจีกรรมเป็นศีลกุศลมโนโกรรมเป็นศีลกุศลก็ใจยังยายทานศีลต่อนะไปภาวนาภาวนาเป็นยังไงถีบดอกไม้ข้หมอมผ้าเดินเข้าหา พ, พระเจดีพุทธเจ้ารละลึกพระพุทธเจ้าเป็นพาาระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกาเิกเทัศนรูน้รชอบใจ้ที่ผู้องค์เองพระพุทธเจ้าถึงควาอมในวิชาแปดชัณ15พระพุทธเจ้าเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้โลกอย่างนี้ เป็นผู้ัศรูริยศศัตรูจะทำท่านสีประการข้าพระเจ้าได้มา ล, ลึกถึงคุณของพระเจ้าด้วยการกระทาอย่างนี้แล้วเนะอะกายกรรมที่เราเคลื่อนไหวไปแล้วก็ลึกถึงคุณด้วยนี่กายกรรมเป็นภาวนาขุศลสไม่ใช่แค่นั้น ท, ท่องอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมรูทความหมายเข้าใจลึกซึ้ในคุณของพระเจ้าเป็นพระหานยังไงทศรูริยศัตร ย, ยังไ ง, ง, ไงเป็นต้นสาธาิต เป็นตนหรือถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นใจเกิดประมุ่ดพิธีวจีกรรมเป็นภาวนากุศลยืนสงบนั่งและหรือถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาทั้งจริยาคุณสิริญาณพุทธคุณและหรือเขียนคุณของพระเจ้าเราก็จะฝึกตนเองเข้าถึงคุณของพระพุเจ้าอย่างนี้นนมโนกรรมเป็นภาวนากุศลนี่ไม่เป็นสมถาภาวนานะจะพัฒนาภาวนากุศลต่อ เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปขององค์พระเจดีขององค์พระพุทธรูปเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของวัตถุที่ไปเข้าถวายสการละบูชาเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของกระแสชีวิตอาถรรพของหมู่ที่เรามาบูชาทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนอนัตตานั่นแหละทั้งกายากรรมปณิกรรมรเป็นภาวนากุศลเป็นวิปัสสนาภาวนาได้จริงๆพอชัดเจนั้มก็เป็นไปลักษณะนี้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 che aprile, no?